วันนี้เป็นวันที่ส4สธันวาคมพุทธศักราช2553เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนหนึ่งในระยะสองสาวันที่ผ่านมาหลวงพ่อเองก็ได้ออกจากวัดไปเพื่อจะไปชุมเพลิงหลวงปู่ฟักวัดเขาน้อยสามผานจังหวัดจันทบุรีท่านจะไปชุมเพลิงวันที่ส2บสองธันวา ห้สหลวงพ่อเดินทางวันที่11อแต่ก่อนหน้าวันที่ส1อหลวงพ่อได้ไปกราบองค์หลวงตาสุขภาพองค์หลวงตาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีในช่วงก่อนหน้านั้นพอไปเห็นวันที่สบก็รู้สึกว่าไม่สบายใจก็ได้หารือกับฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายการแพทย์แต่หลวงพ่อก็จะได้ถามคณะแพทย์และคณะสงฆ์ ที่อยู่ใกล้ชิดว่าองค์หลวงตาเป็นยังไงพอจะไปได้ไหมที่หลวงพ่อจะไปวัดเขาน้อยสามพานวันที่11เนี่ยพอไปวันที่11ก็ไปฉันที่ขอนแก่นเพื่อจะเปลี่ยนรถที่พี่ายแล้วก็รถของเราก็พักไ้ที่นั่นแล้วก็เอารถทาง โยมรับไปเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจในโซเฟอร์ของเราด้วยว่าจะหลงทางกดไปไม่ถึงพ อ, อไปถึงขอนแก่นก็ได้ถามไทยเรื่องหมอบัางฝ่ายพระสงฆ์ที่วัดป่าบ้านตาดบัางผลในสุดอาการขวงตาท่านเหนื่อยอาเจียนบ่อยครั้งมากแล้วก็แน่นท้องรือลักษณะอย่างนั้นนะแล้วก็เก็จเลือดก็ต่ำ ลงถึง18ก็ทําให้หลวงพ่อไม่สบายใจถึงจะไปข้างหน้าก็คงไม่สบายใจคนในสุขเลยปรึกษากับทางฝ่ายคณะสงฆ์วัดป่าบันตาวัดก่นอมนมลท่านอาจารย์กลับมากลับเข้ามาแบบปรึกษากันก็ดีหลวงพ่อก็เลยตีรถกลับจากคอนแขนเข้ามาบันตารก็เลยไม่ได้ไปไปชุมเพลิงหลวงปู่ฟักวันที่สิบสอง ก็ได้บอกไปทางคณะสงฆ์หมู่พวกเพื่อนเออทำหน้าที่แทนผมด้วยนะผมไม่ได้ไปเพราะเป็นห่วงองค์หลวงตาเพราะอาการไม่น่าไว้ใจเลยอย่างเนี้ยพร้อมที่จะช็อกหรือว่าหายใจไม่อิ่มไปได้ง่ายๆเพราะว่าเก็ดเลือดต่ำมากตามหลักวิชาแพทย์ของเขาเดี๋ยวผมจะขึ้นไปปรึกษาหารือกัน อผมจะขึ้นไปทำหน้าที่แทนหมูพกเพื่อนน้าผมจะขึ้นไปทำหน้าที่แทนหมู่พกเพื่อนคนะือจะไปดูองค์หลวงตาอพวกท่านทั้งหลายทำหน้าที่แทนผมนะ้าวางดอกไม้จันอผมไม่ได้ลงมาคราวนี้หลวงพอกตีกลับขึ้นมาก็ได้ไปหาหรือกับคณะแพทย์คณะสงฆ์ปุณณชุ ก, ก็ได้เอาเลือดของพระ วัดป่าบ้านตาดนะ่ะไปถวายองค์หลวงตาเมื่อวันที่สิบสองประมาณชักเที่ยงกว่ากว่าพอถวายเลือดท่านแล้วก็ยังไม่หมดถุงนะท่านก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยขึ้นมาทันทีแล้วก็นั่งรถก๊อฟออกไปคังนอกได้วันนั้นเป็นที่แปลกใจอย่างมากวันที่สิบสองพอตอนเย็นก็ใส่ถวายเลือดท่านอีกหมดไปสองถุงหมดไปสองถุง ผมพงในเช้าไปเอาเลือดดูดเลือดท่านออกมาตรวจอีกค่าของเลือดขึ้นไปถึงยี่สิบแปดจุดเก้าเกือบยี่สิบเก้าแล้วงั้นแต่ี่สิบแปดจุดเก้าก็เป็นที่เพียงพอถวายท่านสองถุงจากนั้นก็คอยดูอาการทุกส่วนทุกอย่างในร่างกายของหลวงตาก็ดีขึ้นตามลำดับลำดับวันที่สิบสามก็ออกไปข้างนอก ออกไปหน้าวัดถึงสองครั้งพอวันนี้วันที่สิบสี่ท่านก็ออกไปอีกหลวงพ่อเห็นว่าอาการหลวงตาเข้าขั้นปกติตามวัยและอายุของท่านหลวงพ่อเขาเลยก ไ, ไปกราบบรงท่านเมื่อบ่ายสามโมงกว่าเห็นว่าสุขภาพของหลวงตาไม่น่าเป็นห่วงมากกระถามแพทย์หมอแต่ท่านทา่านกหลับตายนะ หลวงพ่อเคไปกราบท่านค่านก็ไม่ไม่ได้ลาท่านหรอกมีแต่บอกพระคนะณะสงฆ์ที่อยู่ใกล้นะ่ะหลวงพ่อจะได้ลากับก่อนเด้อแต่มีอะไรยังค่อยฟังกันอกีกจากนั้นหลวงพ่อก็กลับมาเนะลย่ะหลวงพ่อเองเป็นห่วงวัดเหมือนกันพอพระพระนวากะนะบวชโครงการหลวงตีถวายพระราชกุศล วันเฉลิมพัฒนรพันษาพวกเราเมื่อบวชวันที่สองวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่หลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดไปไปมามานี่แหละที่พูดให้ฟังทางนี้ท้งนั้นเป็นเรื่องบอกกล่าวให้แก่พวกคณะพระลูกพรหลานทุกองให้รับทราบว่าภาระของหลวงพ่อเนี่ยที่ไปแต่ละครั้งน่ยไม่ได้ไปด้วยอยากจะไป ไปด้วยความจําเป็นแล้วก็เข้าไปทําธุระแสดงความกตัญญูกะตะเวทีตาในองค์หลวงตาถือว่าองค์หลวงตาเป็นร่มโพร่มไทรทางด้านจิตใจท่านบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนหลวงพ่อให้ได้รู้จักธรรมะตื่นลึกนาบางในหลักธรรมวมนในในหลักธรรมคาสอน ท่านสอนลักษณะความลึกซึ้งความละเอียดก่อนของหลักธรรมในเป็นที่พอใจหรือว่าเป็นที่ยอมรับอย่างลึกซึ้งที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาถือว่าท่านเป็นพ่อพ่อฝ่ายธรรมะเพราะนั้นเมื่อท่านอายุมากแล้วพวกเราในฐานะ ลูกหลานควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทีตาอย่างไรอันเนี่ยที่หลวงพ่อได้เข้าไปกราบโป้งท่านก็ได้หารือปล่อยคณะที่เกี่ยวข้องก็มีแพทย์มีพยาบาลมีพระสงฆ์หารือกันจะรักษาอย่างไงในองค์หลวงตาก็เป็นที่ตกลงกันได้นี่ก็แปลว่าผ่านไปในระดับหนึ่งแต่ว่าต่อไปภายภาคหน้า ไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ว่าเราไม่คิดว่าถ้าท่านองค์หลว ง, ว ง, วงตาอายุมากแล้วท่านคงจะไปก่อนพวกเรานะอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะชีวิตนี่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอคิดว่าท่านจะไปท่านจะไปเราขึ้นไปแล้านอนหลับแล้วก็ไปนะ เ, เลยก็ได้ไม่มีใครที่จะรับประกันได้ว่าชีวิตนี้จะยืนนานไปสักเท่าไหร่เพราะนั้นพวกเราคณะ ลูกศิษย์กหาลูกหลานองหลวงตาทุกคนให้คิดว่าอยู่เสมออย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะเก็บสะสมเข้าสู่จิตใจของพวกเราอย่างหลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้าที่วัดป่าบ้านตาดของพ่อบอกว่านะ่สถานวัดป่าบ้านตาดเนี่ยเป็นสถานที่ศึกษาถ้าจะว่าไปแล้วจะเรียนระดับไหน ระดับรรปริญญาเอกใช่ไหมหรือโทรหรือตรีหรือมัธยมหรือปถมได้ทั้งนั้นเป็นแหล่งค้นคว้าเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เข้าสู่ตัวเองขอให้พวกเราทุกท่านได้เป็นศิษย์ญาณุศิษย์องค์หลวงตาเข้ามาเพื่อค้นคว้าศึกษาเมื่อค้นคว้าศึกษา ได้ความรู้ได้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนแล้วพวกเรา็นนำทมคำสอนขององค์หลวงตาแบกกฎตะพายบาดนุ่นเข้าไปหาภาวนาป่าโรงพงไพยไหนอยู่ถ้าไหนป่ารกชัดที่ไหนไปหามุมสงบภาวนาชำระใจของตนเองมรรคผลมิพานก็นเป็นพวกท่านเองจะเป็นผู้ได้รับ พอได้รับการศึกษาดีแล้วถ้าว่าพวกเราได้รับการศึกษาแล้วก็เพียงแต่เป็นเครื่องหาอยู่หากินศึกษาเสร็จแล้วก็เกาะอยู่เพื่อราบเพื่อยศเพื่อให้เขายกย่องเพื่อชนะเสิรนเออเพื่อหาความสุขในการเป็นอยู่อันนั้นคือถ้าพูดไปแล้วไม่ถูกต้อง ไม่ใช่จุดประสงค์ขององค์หลวงตาที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาเราที่ท่านแนะนำสั่งสอนนะท่านอยากจะให้สิทธิ์ของท่านนำทำคำสอนที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนไปแล้วนั้นนำไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของพวกเราท่านทั้งหลายให้สูงส่งขึ้นให้ได้รับมรรรับผล ถึงแดนพ้นทุกข์ในวัฏสงสารไม่มาเวียนไห้ตายเกิดอีกนั่นแหละจุดประสงค์มุ่งมั่นของท่านท่านมาเรศสอนปลุกสิทธิคณะสิทธิ์ทั้งหลายใส่เข้าต้มข้าวหนมกล้วยงาวกล้วยหอมอการหลับการนอนอยู่ดีกินดีมีความสุขเหมือนหมูเยลเล้าไม่ใช่อย่างนั้นท่านสอนให้สิทธิ์ให้เห็นโทษในการเป็นอยู่ในการเกิดในการแก่เจ็บตาย ถึงเราจะมียศถาบรรดาศักคนยกย่องสนเสริญขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราอย่าลืมตัวเพราะนั้นให้เราเข้ามาเพื่อศึกษาไม่ใช่เรามาเพื่อสสแสวงหาโลกามิตรในวัดป่าบัานตาแทงนี้หลวงพ่อพูดแล้วก็พร้อมกันวันก่อนหลวงพ่อก็ได้พูดว่า พวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่กับองค์หลวงตาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าไปลืมตัวอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีเนี้ท่านวันเฉลิมพระชนพรรษาที่ท่านตรัสว่าพวกเราทั้งหลายอยู่นักสถานที่ใดอย่าลืมตัวแน่ว่าคําว่าอย่าลืมตัวคํานี้แหละหลวงตามหาบัวก็เคยอบรมแนะนําสั่งสอน พวกเรามากต่อมากอย่าลืมตัวคำว่าลืมตัวก็นี้เกิดเหมือนกับพวกเราเป็นกามาเกาะภูเขาทองมาจาับภูเขาทองภูเขาทองมันถูกแสงแดดเหลืองอาลามมันจะทอนย้อนแสงออกมามาถูกกับกาแ heck กาก็มองตัวเองโอ้ข้าเนี่ยเป็นสีทองจะแล้วพอมาอยู่กับภูเขาทอง ลืมตัวเถนี่าค่้าในการนี่้าเนี่เป็นทองเีสีของข้าตะกอนเป็นสีดำปิดปี่แต่บัดนี้มาอยู่ที่ภูเขาทองข้าพระเจ้าเป็นทองก็ลืมตัววางตัวออกนอกลู่นอกทางพอบินออกจากภูเขาทองก็ดำปิดปี่อีกอย่างเก่าพอเหตุใดพอกาลืมตัวเพราะนั้นพวกเราอย่าให้เป็นอย่างกานะ ถึงจะมาเกาะภูเขาทองมาอยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใกล้ครูบ า, าอาจารย์ก็มาเพื่อเก็บสะสมเรียนรู้หาวิชาเข้าถูใจของตนเองเพื่อจะนําไปปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้จิตใจของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวัคิเลสเนี่แหละในเรื่องนี้หลวงพ่อเองไม่ได้สอนไม่ได้บอกกล่าวท่านผู้ใดผู้หนึ่ง บอกขก่าวกระทั่งหลวงพ่ออินด้วยหลวงพ่ออินเอ้ยเอเรามาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ใกล้หลวงปู่ใกล้หลวงตาเนี่ยอย่าลืมตัวเน อ, เอถ้าเธอลืมตัวเมื่อไหร่กับเมื่อนั้นแล้วการเกาะภูเขาทอง เ, อเพราะนั้นอย่าเป็นกาเกาะภูเขาทองให้เป็นทองจริงๆถึงจะไม่เป็นทองในร่างกายก็ให้ใจเป็นทองเอเหมือนกับผ้าขี่ริ้วห่อทอง แต่อยู่ข้างนอกเหมือนกับพาดีริ้วแต่ว่าหอทองพันทองอ น, นี้ก็เหมือนกันถึงจะการ่างกายเป็นตัวดำอัปลักษณ์ขนาดไหนแต่ใจของเราเป็นอริยบุคคลพระโสดาสกทาคานาคาอรหรันมีมากต่อมากในครั้งพุทธกาลถึงจะเดหูหนวกตาบอดเป็นคนค่อมเป็นคนเตี้ยเป็นคนไม่สมบูรณ์เกิดโรคภัยไข้เจ็บ แต่จิตใจของท่านเป็นพระอาหารหันต์มีมากต่อมากเธส่วนร่างกายนั้นสุดแท้แต่มันจะเป็นไปนี้ก็เหมือนกันถึงร่างกายของเราจะเป็นสีดำแต่ใจของเราเป็นทองคําทั้งแท่งอยู่ในจิตใจเพราะนั้นให้พวกเราเป็นผู้มีจิตใจที่เป็นทองคําอยู่ในจิตในใจให้เป็นเพชรนินกินดาที่มีคุณค่าทรงคุณค่าในจิตใจนี่แหละ อันนี้ก็คือการเข้าไปศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากสำนักที่เรารักเคารพนับถือจากนั้นเราก็ได้นำธรรมคำสอนของท่านมาปรับปรุงกายวาจาใจของเราไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแล้วก็ไปอยู่เป็นวันวั น, วนกินเป็นวันวันทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มองกันในแง่ร้ายว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่มองหัวใจของตนเองเลยอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้ ไม่ใช่ลุกสิทธ์ของพระพุทธเจา้าไม่ใช่ลุกสิทธ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่ผู้มีปัญญาแปลว่าผู้นั้นแปลว่าผู้ที่จะอยู่ในโลกจะติดข้องอยู่ในโลกนานเท่านานไม่เห็นโทษในโลกวัฏสงสารเลยมีแต่โลกวัฏสงสารเป็นเครื่องอยู่อยากจะอยู่ในโลกที่นานเท่านานแต่ถ้าว่าผู้ที่จะหนีจากโลกแล้วเขาจะไม่มองอย่างนั้น สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์สิ่งไหนที่จะเห็นเกิดความเบื่อหน่ายเราต้องฟังเราต้องศึกษาจากนั้นนำทำคําสอนของท่านท่านทํายังไงท่านจึงเกิดความเบื่อหน่ายทํำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากอาสวักิเลสให้ได้ท่านก็จะสอนให้พิจารณานะให้นะัตธรรมจิตใจให้สงบก่อนนะอันดับแรกทําจิตใจใจของเราให้บริกรรมพุทโธพุทโธเอาอย่างจริงเอาอย่างจัง อย่าสงจิตไปออกไปข้างนอกเมื่อจิตใจของเราอยู่กับกรรมฐานหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเวลาก้ากวขาขวาพุทขาซ้ายโทพุทโทพุทโทบังคับจิตใจให้อยู่กับพุทโทอย่าให้มันออกไปข้างนอกเมื่อจิตใจของพวกเรารวมจิตใจของเราเป็นหนึ่งจิตใจไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่าศาสจิตใจของเราอยู่กับอารมณ์เป็นหนึ่งแล้ว จากนั้นเราก็นำมาพิจารณาทางร่างกายของเราร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้ามันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นี่แหละมันหลงตัวนี้แหล ะ, ะใจของเรามันหลงพอมันหลงร่างกายแล้วก็หลงยศถาบรรดาศักดิ์หลงอาหารการบริโภคหลงว่าข้าเป็นใครลืมตัวทีนี้เพราะว่าหลงร่างกายแล้วก็ลืมตัวว่าข้าเป็นใคร จะเป็นใครก็เป็นกระดูกเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นนั่นน่ะจะเป็นอะไรใช่ไหมมีหนังหุ้มอยู่นะจะเป็นใครเข้าข้างในก็มีกระดูกไเข้าไปในลำไส้มีแต่อุจจาระปัสาวะมีแต่เลือดจะเป็นใครฮะถามดูสิข้าเป็นใครเป็นกระดูกใช่ไหมเป็นหนังใช่ไหมเป็นเนื้อใช่ไหมเป็นเอ็นใช่ไหมเป็นลำไส้เป็นตับเป็นปอดเป็น อุจจาระปัสสวะใช่ไหมเอเป็นเลือดใช่ไหมก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันเนี่ยจะเป็นใครอีกสักวันหนึ่งตัวที่ว่าใครๆนั่นแหละเขาจะต้องเอาไปเผาไฟทิ้งใช่ไหมฮะถามดูซิถามใจดูซิตัวที่มันหลงอ่ะมันหลงตัวเองนะ่ะเขาจะเผาไฟทิ้งอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าใช่ไหมเผามามากต่อมากแล้วใช่ไหมเมนเน่ยไม่รู้กี่คนใช่ไหมอีกสักวันหนึ่งถ้าเราไม่หนี จากบริเวณนี้เราก็เขาจะต้องออกไปเผาในเมนใช่ไหมไม่มีใครจะปฏิเสธได้อันนี้คือความจริงเอาความจริงมาพูดกันแต่โดยมากคนจะไม่ชอบพูดความจริงพูดหลบหลกหลีกๆเล่นๆไปอย่างนั้นะแต่ตามไม่จริงความจริงเป็นอย่างนั้นในเมื่อเราพิจารณาตามความเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราจากนั้นก็นมาย้อนดูใจของเราทีนี้ใจของเราไปหลงอะไร ทำไมจึงหลงกายในขนาดเมื่อกายแท้ๆยังไม่ใช่ของเรายศถาบรรดาสักการเป็นอยู่อยู่กินเป็นวันๆมีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมใจเป็นความสุขที่แท้จริงแล้วใช่ไหมใจรืมีความสุขเหมือนหมูอยู่ในเล้าเหมือนไก่อยู่ในเล้ากินอาหารเสร็จแล้วก็นอนนอนกิน่ากก็กินอาหารกินน้ำแล้วก็เอาน้าสาดเข้าไปก็อยู่อย่างนั้นใช่ไหมใจ เราเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เป็นอยู่เหมือนหมูอยู่นเล้าเหมือนงัวกังวกขุนเขาขนอาหารมาให้กินอย่างนั้นใช่ไหมไใจอีกสักวันหนึ่งพอหมูหรือไก่หรือวัวขุนน่นะได้ขนาดแล้วเขาจะขายแล้วเขาเอาไปเชือดค อ, อาจากนั้นก็นี่แหละกระเสือกกระสนตายไปอย่างงั้นใช่ไหมไใจนี้ก็เหมือนกันเราก็ยิ่งกว่านั้นไปอีก เขายังมีกรรมําหนดว่าน้ําหนักมันขึ้นเท่านั้นเท่านี้เขาจึงไปขายแต่เรานี่ยพยามัจจุราชเขาไม่ได้ชั่งน้ําหนักเราอีกต่างหากไม่รู้ว่าวันไหนเดินไปเขไม่รู้ว่ามัจจุราชจะเฉียดคอเราวันไหนรู้หมายใจไม่มีใครที่จะกรรําหนดว่าอายุเท่านั้นปีเท่านี้เดือนคุณจะต้องป่วยคุณจะต้องตายไม่มีใครกรรําหนดได้ เพราะนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยยืมยืมวันอยู่อย่างมากๆถ้าเราพิจารณาไข่ ค, ควรทบทวนดูแล้วหายใจหายใจไม่ออกก็ใช่อันนั้นตายแน่นอนแต่การเป็นอยู่ของเราการล้มการตายไม่ใช่ว่าจะเก็บเก็บไข้ได้ป่วยเราอยู่ณสถานณ์ไหนอเราจึงจะตายไม่ใช่ไม่มีใครรับประกันรับรองเราได้กินดีๆนอนดีๆ ไปดีๆนั่งรถดีๆนั่งเครื่องบินไปดีๆนอนหลับดีๆพวกเราเห็นตายมากๆต่อมากแล้วเพราะท่านชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่แหละให้เราพิจารณาอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้พิจารณาร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแต่จะพิจารณาอย่างนี้ได้ใจของเราต้องเป็นสมาธิก่อน ถ้าจิตใจของเราลวนเลยใจของเราปุ่งฟุ้งซ่านอยู่จะมาพิจารณาอะไรไม่ชัดเจนทั้งนั้นแหละใจของเรามันวิ่งกระสับกระสายอยู่แล้วแล้วจะมาพิจารณาจะพิจารณากําหนดให้เห็นชัดเจนนยากไม่เป็นไปไม่ได้แต่จิตใจของเรานน่งจิตใจของเราเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจของเราเป็นหนึ่งแล้วนําจิตใจที่เป็นหนึ่งกําหนดอยู่จุดไหนจะเห็นชัดเจนในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นขอให้ พวกเรานะนักปฏิบัติลูกหลานพระทุกองมาศึกษามาปฏิบัติให้พิจารณาไตรตรองเหตุและผลอย่าลืมตัวอย่างที่ลุงพ่อได้กล่าวพวกเราอย่าลืมตัวให้เห็นตามความเป็นจริงจริงไหมที่ลุงพ่อพูดเนี่ยร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้ว่าวันไหนละวันข้างหน้านี่แหละฮเขาจะต้องเผาไฟทิ้งแน่นอนอแล้วคุณงามความดีในะจิตใจของเราเพียงพอหรือ ย, อยัง เป็นที่อุ่นใจหรื อ, อยังเราประกอบคุณงามความดีบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราพร้อมหรื อ, อยังเราจะไปที่ไหนออกจากที่แล้วตายและไม่สูญนะพรอพูดให้เจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วกายกับใจอาศัยกันอยู่นะร่างกายเนี่แตกตายสลายแน่แต่ส่วนจิตใจนามธรรมนั้นไม่ตายนะอ่แล้วเราจะไปเกิดที่ไหนเราชําระให้บริสุทธิ์หรื อ, อยังนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้อง ฟังจะต้องศึกษาจากนั้นก็เมื่อเราได้ฟังได้ศึกษาได้ตรายตรองด้วยเหตุและผลแล้วใจของเรากับพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตามความเป็นจริงใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเป็นภาษาบาลีนิพพิทาคือเกิดเกิดความเบื่อหน่าย ในเมื่อเบื่อหน่ายแล้วใจของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายจะไปยึดทำไมจะยึดอะไรยึดกระดูกเหรอยึดหนังเหรอยึดตับปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในท้องเหรอเรายึดอะไรไม่ใช่ของที่จะยึดมิตรให้รู้ตามความเป็นจริงในเมื่อเราอยู่กับมันเราก็เลี้ยงดูพอประมาณเออทนุถนอมพอประมาณแต่ในใจลึกๆแล้ว ร่างกายนีจะต้องตายนะจะต้องแตกนะจะต้องดับนะอีกไม่นานนะไม่รู้ว่าวันไหนละ <d iam ond an> ใจเราอย่าไปลุ่มหลงนะ <d iam ond an> อันนี้คือในใจของเราใจของเราต้องคิดอย่างนั้นไว้อยู่เสมอในเมื่อเราคิดอยู่อย่างนั้นสิ่งไหนที่มันไม่ดีสิ่งไหนที่เป็นบาปสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องเราจะไม่ทําสิ่งนั้นเราจะทําสิ่งที่ถูกต้อง เพราะร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราตายแล้วไม่สูญถ้าเราทํากรรมที่ไม่ดีกรรมไม่ดีนั่นแหะจะตามสนองเข้ามาสู่จิตใจเราจะออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้วก็ตกต่ำไปเกิดเป็นชัตจิตฉานหมูหมากาไกา่ไปตกนรกหมกไหมไปเป็นเปรตฮะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่อัปรักหูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิตเป็นรายทั้งนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น เพราะเหตุใเพราะบาปกรรมพามาเกิดบาปอกุศลพามาเกิดถ้าบุญกุศลพามาเกิดแล้วกับพวกเราก็เห็นอีกพอมาเกิดแล้ว น, นะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยไปเกิดในสถานที่ดีพ่อแม่ร่ำรวยเขาหาเงินไว้แล้วเราไปเกิดในที่มันร่ำรวยเลยเราไม่ต้องไปเกิดในสถานที่จนๆ น, นี่แหละบุญกุศลพาไปเกิดในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้รับการศึกษา บางคู่บางคนกับพอใหญ่ขึ้นมากลุ่มหลงในชีวิตของตนเองอีกอกระตกต่าลงไปอีกเพราะเหตุอะไรเพราะว่าไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเกิดมาแล้วก็หลงตัวเองว่าข้าเป็นใครอีกอย่างเก่านั่นแหล ะ, ะข้าเป็นใครก็เป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังนั่นแ่ะเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้รับการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราลืมตัวมาม า, มากต่อมากแล้วไม่ใช่เหรอ เพราะนั้นตอนนี้ไปให้พวกเราสับนึกไว้นะอย่าลืมตัวนะเร่างกายนี่เป็นใครกูเป็นใครบ้านะนีกูเป็นใครจะเป็นอะไรเป็นกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเอ็นนั่นแหะเป็นตับไตลำไส้เป็นปอดเนี่ยเป็นอุจจาระปัสสาวะเนี่ยอยู่ข้างในเป็นเลือดเป็นเนื้อนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรใช่ไหมใจอให้พวกเราถามตัวเองในเมื่อพวกเราไม่หลงตนเองแล้วแตนี่สิ่งภายนอกก็ไม่หลงเลยรู้เท่ารู้ทัน รู้ตัวรู้เขารู้เรารู้รอบขอบชิดทุกสิ่งทุกอย่างรู้จักการวางตัวอีกต่างหากทีนี้เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะเหมาะสมส ะ, สะแสวงหรือว่าหาทางพ้นทุกในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้เนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายนะพวกเราท่านทั้งหลายอย่าลืมตัวนะ นี่แหละถ้าพวกเราไม่ลืมตัวเราพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวได้แนะนำนี่แหละเป็นหนทางที่พวกเราจะต้องหนีออกจากวัตะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนะวันนี้หลวงพ่อเองจะไม่พูดอะไรมากเพราะหลวงพ่อทาทุระอย่างที่ได้กล่าวให้เบื้องตน้นหลวงพ่อวันนี้เห็นว่าพระนว ก, กะ หลวงพ่อไม่ได้พบกันนานไม่ได้แนะนำแนวความคิดให้แก่พระนวิกาหลวงพ่อจึงออกมาจากบ้านตัดตอนเย็นคือขึ้นมาศาลาทำวัดเย็นเลยวันนี้แล้วก่อนหลวงพ่อได้บอกกล่าวว่าการออกจากวัดของหลวงพ่อตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่14ทำธุระอะไรเกี่ยวกับองหลวงตาทั้งนั้นหลวงพ่อ แสดงความกตัญญูกตวเวทิตาหลวงตาเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะคือท่านให้ธรรมะแกหลวงพ่อหลวงพ่อมีอะไรที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระเห็นว่าเป็นประโยชน์หลวงพ่อไม่ดูดายนี่แหละก็เห็นว่าสุขภาพของท่านผ่านวิกฤตในระดับหนึ่งหลวงพ่อคิดถึง พระลูกพระหลานในวัด พ, พระทั้งวัดทั้งสี่สบสามองค์วันนี้พุทานหลุงพ่อจึงได้ขึ้นมาศาลาเป็นการแนะนำให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายต่อนี้ไปนั่งสมาธินะี่นีนะและจึงค่อยแยกย้ายกันกลับนั่งกัจจามาธิเรามองพระประธานที่ตรงหน้าของเราขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วปนมมือ ประนมมือไหว้พระพุทธเจ้าซะก่อนประนมมือขึ้นระหว่างอกเราเไหว้ครูซะก่อนพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสามครั้งคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นบรมครูของพวกเราจากนั้นก็เอามือลงในเมื่อเอามือลงแล้วก็บอเล็กกรรมว่าข้าพรเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข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 เราโละทิ้งหมดความอาฆาตนั้นให้จิตใจเรามีเมตตาจากนั้นกับบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทอย่าไปส่งไปข้างนอกให้กําหนดลมลมหายใจท่ากําหนดแล้วใจของเรามันยังไม่อยู่ไม่รู้จะกําหนดที่ไหนให้หายใจเข้าแรงๆหายใจสูดลมเข้าไปแล้วก็ปล่อยลมออกมาสูดลมมาไปปล่อยลมมา เราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนที่ปลายจมูกตรงไหนจากนั้นเอาจิตเอาใจของเรากำหนดจุดจุดนั้นเวลาหายใจเข้าเราก็สังเกตหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโทพุทโทพุทโธไม่ต้องส่งออกไปข้างนอกตั้งสติให้เข้มแข็งอยู่กับปลายจมูกนั้นจนกว่าหลวงพ่อจะบอกว่าเออเอาพอพอเราจึงค่อยออกจากสมาธิ และเมื่อออกจากสมาธิเมื่อพอออกมาเราก็ประนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกหมาข้าพเจ้าได้บําเพ็ญจิตตภาวนาในวันนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญในวันนี้ขอถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรรมราชนินีพระบรมวงศสารุวงศและตลอดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายาย วงสาคน า, ายาตญาณมิตรสหายของข้าพเจ้าด้วยให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าได้บาเพ็ญได้บวชในครั้งนี้ด้วยเทินในใจและยังค่อยออกจากสมาธิ